เศร้าจังความหวังเลือ น, น้อยชีวิตมู่น้อยต้องถูกคุมขังอุตส่าห์สู้ทําความดียังไม่ได้ดีแถมถูกทากทางังสวรรค์มีตาหรือไม่้ามีแล้วใหญ่ไม่เบิ่มตาดูบ้างคนถูกเป็นผิดคนผิดเป็นถูกจะหมดอยู่หรื อ, อยาง ต่อต้อยตามตามลางปลาใหญ่ฮุบเอาไปกินนั่งนานตารินสิ้นสุดทุกขังกล่าวหา ว, ว่าเราปิจิรไปจี้ไปปล้นดูซิไม่เคยสักครั้งเอาเข้ามากอดอยุ่มก็กัดนั่งเกาจะอื้อสักคราวต้องใส่ให้ใส่ท่า มาตั้งแต่ไม่ได้ย้ายมาอยู่โครงข้างอุตส่าห์ทรงตาเมยียนมองดูสีเนื้อทองยังไม่มีนั่งลถ้าคลาวหัวใจไม่ว่างมาสีรอยช่างมูน้อยยังวางชมยงถึงยดจะต่ำแต่ก่อนใจซื่อตรงรักจริงมั่นคงไม่คดโกงใครกี มาตั้งแต่ไม่ได้ย้ายม่อยู่กรงคางอุตสาส่งตามเมียนมองดูซีเนื้อทองยังไม่มีนางถ้าคราวหัวใจไหวกว่ามาสี่ร้อยช่านหมูน้อยอยังวางชมยงถึงยดจะต่ำแต่ก็ใจซื่อตรงรักจริงมั่นคงไม่คดโกงใครดี